นบนองพระพุธพะทธธรรมประสงค์ขออากาศเพื่อนธรรมมิสุกท่าน <c oughs> เจริญพรแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคน อ, อย่าเฝ้าเบื่อนะฟังไปฟังไปในเรื่องบางว่าในเรื่องบางก็ ฟังไปนะฟังอาตมาเว้าแน่ฟังเจ้าของเว้าแน่แนเ้าจมในใจเทศมวลเทศประมวลเวลบ้งเจ้าของนะก็ทาวัดเสร็จนะก็ราลบทำนิดๆหน่อยๆเนาะมื่อกี้พระอาจารย์สุดินก็พาสวดพาสวดบทอนะฟงสังขารนะพิจารณามนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนะ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 ต้องได้ทำงานทำการดีๆมีฐานะมีครอบครัวที่อบอุน่นแก่เท่าไปก็ว่าจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะได้ตายอย่างมีความสุขเลยนะก็คิดแบบนั้นแบบโลกโลกนะตอนนั้นแต่พอมาบวชใหม่ๆนะมาบวชใหม่ๆพอดีมีหนังสือมนต์วิธีฉบับแปลเขาก็มีรูปหน้าปกไม่ใช่หน้าปกด้านในของปกก็มีรูปเด็กที่เพิ่งเกิดมาแล้วก็เด็กตัวเล็กๆนะ แล้วก็เด็กในวัยเรียนหนังสือเด็กในวัยกาลังทางาน เ, เ, เรียนหนังสือเจ้า ก, ก็รับกริญญาแล้วก็ทำงานมีครอบครัวแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปนะแล้วก็เขียนสั้นๆว่าแค่นี้หรือชีวิต <c oughs> คือชีวิตเราจะมีแค่นี้แหละเกิดมาแล้วเรียนหนังสือทำงานมีครอบครัวแก่เจ็บตายไปเขาถามว่มีแค่นี้เรือชีวิตเรา ได้อ่านอยู่ตรงนั้นก็เอสะกิดใจตัวเองชีวิตเรามันไม่ใช่แค่นี้เนาะถ้ามีแค่นี้ก็ไม่ต่างจากสัตว์เท่าไหร่หรอกสัตว์เขาก็มีวงจรคล้ายๆแบบนี้แหละอาจจะมีการเรียนในนังเรียนไม่มีใบรับปริญ ย, ยาแต่เขาก็มีถวารวัติว่าเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปเหมือนกันนะมีสภาวะเหมือนกันแต่ชีวิตเราจะมีแค่นี้เหรือนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไวนะม้มันไม่น่าจะมีแค่นี้เนาะมันต้องยกระดับจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นมานะ มาเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตเกิดมาเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่ยกระดับจิตใจตัเองสูงขึ้นจิตใจของเราเหมือนกับมันเราหยุดในกระแสน้ําเนาะมันก็จะพัดต่ําลงไปเรื่อยๆพัดต่ำลงไปเรื่อยๆ ต, ตกลงไปที่ไหนก็ไม่รู้บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบว่าท่านกรรมเออท่านก็หยิบดินขึ้นมาติดฝ่ามือมาแล้วก็ถามพิสุททั้งหลายว่า ดินในฝ่ามือของเราเนี่ยกับดินในปัตภีพื้นแผ่นดินเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากั น, นพิสูจน์ทั้งหลายท่านก็ตอบว่าดินในปัตภีสิมากกว่าดินในฝ่ามือของพระ อ, องค์เนี่ยนิดเดียวผู้พิจารกก็บอกว่ามนุษย์เราก็เหมือนกันเหลือคนเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วนะโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เอง เ, เหมือนกับดินในฝ่ามือของเราแต่มนุษย์พอเกิดมาแล้วตายไป ไปสู่ภพภูมิอื่นเหมือนกับคล้ายดินในพื้นปฐพีนี้มันมากมายเลยนะเปรียบเทียบกันไม่ได้ะแต่ดงว่านมนุษย์ส่วนใหญ่นะก็มีโอกาสตกต่ําลงไปเรื่อยๆถ้าตัเองไม่พัฒนาตัวเองไม่ยกระดับจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นก็โอกาสที่จะไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีก็ก็มากหรือแม้แต่ที่จริงการไปคิดถึงภพภูมิในในชาติหน้าก็ดีนะที่เราเข้าใจกันมันก็เป็นการไกลตัวนะในจริง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 เรียกว่าต้องทําตัวเองมันสูงขึ้นไปสมควรกับที่เขากร า, าบไหว้นะเวลาไปที่ไหนแล้วเขากราบไหว้เราเนี่ยธรรมา ก, ก็จะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองเลยเราทำตัวสมกับที่เขากราบไหว้เราหรือเปล่านะทาตัวสมกับที่เขาบูชาหรือเปล่าก็ต้องระลึกตรงนี้อยู่เสมอนะเวลาเขากราบไหว้เราเขาไม่ได้กราบไหว้แค่ผ้าเหลืองเฉยๆนะ ห, นนะหรือบางทีก็อาจจะกราบไหว้แค่ผ้าเหลืองก็ได้นะี่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 เราจะได้ภูมิใจนะการที่เรามีศินเนี่ยทำให้เราไม่ละอายแก่ใจตัวเองศินไม่ใช่เพียงแค่ว่าศิน2องร้อยยี 8, ส่สิบเแปดินห้าแต่ศินคือการที่ละอายแก่ใจตัวเองอันไหนที่เราทําไม่ดีแล้วเราละอายแก่ใจตัวเองนั่นแนหะคือการที่เราผิดสินตแต่การที่เรามีสติเรารู้นืรู้ตัวเราทําเป็นการที่เราไม่ทําผิดศินทําอะไรเราไม่ละอายแก่ใจตัวเองนะเป็นการไม่ผิดศินนะ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 ถึงที่สุดให้มันได้ให้มันดีที่สุดให้มันได้นะเป็นพระกะ็ดีเป็นขีก็ดีเป็นแม่ออกเป็นพ่อออกก็ดีนะตอนเนี้ยวางเรื่องทางโลกก่อนวางเรื่องลูกเรื่องดานเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรต่างวางไว้ก่อนมาพยายามพัฒนาจิตใจเองมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะเนี่ยจะเป็นการที่เรียกว่ามาอยู่วัดแล้วก็ดีที่สุดนะดีที่สุดเพราะว่าวัดก็ยังคือการ ที่เรามายกระดับจิตใจเองมันสูงขึ้นนั่นแหละเป็นการอยู่วัดนะอยู่วัดเขาบอกบางทีฟังแล้วน่ากลัวนะเขาบอกอ่าบางทีเขาเปรียบเทียบไงจำไม่ได้บอกบวชมาเป็นผีเออเป็นเปรเฝ้าวัดหรือเปล่านี่เขาบอกนะบางทีพระหรือว่าแม่ชีหรือว่าโยมบางทีเป็นเปดเฝ้าวัดนะมันก็ไม่ค่อยดีนะเป็นเปดรตเราก็ต้องพยายามให้เป็นเปดต้องทําตัวเองเป็นพระให้มันได้ พระก็คือจิตใจที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะแล้วก็มีวิธีและมีเครื่องมือก็คือหลักสติปัญฐา น, นช่วยให้เรามีสติมากขึ้นพยายามอยู่สุกโตก็อาจจะมีมีสิ่งที่มากระทบสัมผัสให้เราได้เรียนรู้เยอะนะการฝึกสตินี่อาศัยสิ่งที่เป็นอารมณ์กระทบสัมผัสเนี่ยเป็นตัวทําให้สติของเราตื่นขึ้นมานะเราไม่ได้อาศัยความสงบ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 อะไรจะกระทบกบเราก็ไม่เป็นไรจะลองเรียนรู้มันดูตอนนี้ยังผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออถ้ามันเกิดขึ้นมาใหม่จะดองเรียนรู้ใหม่น่ะผ่านมาเป็นสิบครั้งยังผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าร้อยครั้งก็ยังได้นะ <c oughs> บางอารมณ์นะบางอารมณ์ก็อืมแต่ก็รูนะ้บางทีมันยังผ่านไม่ได้แต่ขณะที่ใจเราเย็นไว้แล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้เท่าทันไวแล้วต่อไปมันจะค่อยๆ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 เปนกาได้ดักปฏิบัติเบื้องต้นก็ว่าได้นะหลวงพ่อเทียนนั่นเคยว่าไว้อย่างนี้นบอกว่าถ้าใครรู้เท่าทันจิตตัวเองนะเผยไปคิดนะั่นแหละเป็นการได้ดักในการปฏิบัติธรรมนะการที่จิตเผยไปคิดนะี่มันก็มีอยู่ทุกขนาดอยู่แล้วนะเป็นโอกาสทองอยู่แล้วที่เราจะรู้เท่าทันมันนะรู้เท่าทันในการผ่านที่กายเคลื่อนไหวสบายๆนั่นะนะต้องเคลื่อนสบายๆนะเคลื่อนไม่สบายไม่ดีนะไม่ต้องไปดับตา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 ให้รู้ว่าลูกกาลังนั่งอยู่นะมันรู้แบบนั้นให้รู้ว่าใจเผลอไปคิดอยู่นะรู้ว่าใจมีโทสะอยู่รู้ว่าใจมี โ, โมหะเกิดขึ้นอยู่หรือรู้ว่ามันสบาย <Daniel. S 1> ก็รู้นะพอไปเจอความสบายเจอความสงบก็ให้รู้เท่าทันมันเหมือนกันอ้อตอนนี้มันสบายเกิดขึ้นตอนนี้มันสงบเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันมันเนะี่ยทุกอาการให้เรารูเท่าทันไม่ไปอยู่ รู้แล้วก็ไม่เข้าไปอยู่นะ่เห็นไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อก็สรุปให้เราอย่างดีนะนะไม่ต้องกังวลนะถ้าจับหลักแค่ท่านี้ได้รู้ไม่เข้าไปอยู่หรือไปอยู่แล้วก็ออกมารู้นะเห็นไม่เข้าไปเป็นพอเข้าไปเป็นแล้วก็ออกมาเห็นนะ่ะทำแค่นี้แหละนะในการปฏิบัติธรรมทำแค่นี้อไม่ต้องฟังมากไม่ต้องจับหลักอะไรมากก็ได้ที่พูดไปมากๆก็เป็นแค่ส่วนประกอบเฉยแต่หลัก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 อครูบาจารย์จะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราจะทําของเราไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆนะอย่างที่เราเคยได้ยินสุภาษิตนะอัตาหิอัตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะยังสุภาษิตนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กเลยนะเป็นสุภาษิตแรกก็ว่าได้นะสำหรับตัวเองนะสุภาษิตนี้เหมือนตื้นๆมากในโรงเรียนก็สอนกันอัตาหิอัตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนโอ้ฟังไปแล้วก็ก็รู้สึกดี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 คราวนี้เราต้องเป็นที่พึ่งตนเองให้มันได้นะพึ่งตนเองเนี่ยขณะที่เราพึ่งตนเองแต่นั้นนะสติปัญญาความสามารถต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมามันจะผุดขึ้นมามันจะแบบมวลขึ้นมาเองนะเราจะพึ่งแต่เองได้มากขึ้นเหมือนคนที่เหมือนเด็กนะค่เด็กที่มันอยู่ที่บ้านนะมีพ่อแม่มีผู้ปกครองคอยชื่อเดือช่วยเหลือตลอดเวลาพอเขาออกไปข้างนอกนะเขาจะเริ่มรู้จักพึ่งตนเองเริ่มรู้จัก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 บางทีเรก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ที่ตุกตาโตเนี่ยแต่นี้จริงก็อุ่นใจสมัยนี้อุ่นใจหลวงพ่อไม่อยู่ก็มีซีดีอยู่มีซีดีให้ได้ฟังนะฟังซีดีก็เหมือนฟังหลวงพ่อนะเอ่อจะมาไม่รู้สึกแตกต่างสักเท่าไหร่หลวงพ่อพูดสดๆก็ดีอย่แล้วแต่ซีดีที่หลวงพ่อพูดก็เป็นก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเหมือนกันนะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยวใจหลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยวใจเพราะว่าจริงธรรมะท่านฝากไว้อยู่แล้วนะมาที่สา ร, รานี่หลวงพ่องพ่อก็ขออเขียนไว้แล้วนะไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนะอ่านแค่นี้นะเอาไปทํำดูนะเห็นหลวงพ่อยิ้มนะระดึกได้นะ เ, ออเนี่ยบางทีเราก็จะไปฟังแค่คําสอนของหลวงพ่อแค่เห็นท่านทำเป็นตัวอย่างเนี่ยก็พอแล้วนะเ อ, อเห็นแค่หลวงพ่อยิ้มแค่นี้พอแล้วมีคนจีนคนนึงเขาก็พูดบอกตอนหลวงพ่อไปวันแรกนะ่ะ เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าล่ามพูดเสียงค่อยลําโพงไม่ดังแต่เห็นแค่หลวงพ่อยิ้มจิตใจเขาก็เบาขึ้นมาแล้วจิตใจเขาก็มีความสุขขึ้นมาแล้วนะะบางทีเราก็อยู่กับครูบาอาจารย์ก็อาศัยฟังบ้างอาศัยดูบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องอาศัยปฏิบัติเองให้มันมากๆปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เราจะเข้าใจคําสอนของครูบาอาจารย์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 ถ้าสั่งได้คนก็เป็นอามาตะกันหมดแล้วน ะ, ะคนก็ไม่ต้องทุกข์แล้วถ้ามันสั่งได้สั่งในที่ใจเราต้องการเพราะว่าความทุกข์ก็คือการที่มันขัดจากสิ่งที่เราต้องการความมันขัดจากสิ่งที่เราต้องการมนันก็เลยทุกข์อันนี้คือทุกข์ที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือไม่ได้อย่างสิ่ที่ต้องการก็เลยทุกข์แต่ที่จริงความทุกข์ไม่ใช่แค่นั้นความทุกข์ที่นึกที่ละเอียดขึ้นไปคือมันแสดงถาวะทุกข์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 ความตายไปด้วยก็ดีนะสวดมนต์ไปคิดถึงความตายไปชีวิตของเราจะตายวันไหนนอ้อนะพวกนี้จะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตื่นขึ้นมาก็ดีไม่ตื่นขึ้นมาก็จัดการให้หน่อยนะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลตื่นขึ้นมาแล้วก็ภาวนาไปไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ทำสดฝีมือนะ เราต้องพยายามนะพยายามแต่วันนี้ได้ทำจนสุออนะนนดฝีมือหรือยังนะวันนี้ได้ภาวนาสุดฝีมือหรือยังนะต้องถ้าเราพยายามภาวนาสุดฝีมือแล้วแต่วันนี้นะเหมือนใครเราตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่ทำสุดฝีมือแล้วมันก็จะไม่เสียใจนะแม้ยังไม่เสร็จยังไม่จบก็ไม่เป็นไรสุดฝีมือแล้วนะพักก่อนไม่เป็นไรมีโอกาสก็ทาต่อทำต่อนะ การระลึกถึงความตายนี้เป็นการเร่งเร่งให้เรามีความเพียรเยอะขึ้นนะบางทีบางทีก็อยากจะระลึกแค่ความตายของเราบางทีแม้แต่ครูบาอาจารย์เนาะถ้าเราไม่เร่งความเพียรตอนนี้บางทีครูบาอาจารย์ไปก่อนเราเราจะอยู่ไงนอนะอย่างบางคนร้องไห้เสียใจนะเสียใจกลัวครูบาอาจารย์ไปก่อนนะแต่จริงไม่ใช่เขาไม่ได้เสียใจนั้นหรอกเสียใจเพระาะว่าตัวเองยังหวังพึ่งครูบาอาจารย์นะ ถ้าเราเพึ่งตัวเองได้แล้วนะครูบาอาจารย์ท <Thomas. S 1> ่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะท่านอยู่ก็ดีไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราพึ่งตัวเองได้ที่จริงครูบาอาจารย์ท анд, ่านจะอยู่อยู่ได้นานก็ต่อเมื่อท่านมีปิติหรือมีความสุขที่เห็นว่าลูกศิษย์เนี่ยพอพึ่งตัวเองได้แล้วลูกศิษย์พอจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้แล้ววางมือได้แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ Lum นะจะมีความสุขครูบาอาจารย์จะมีปิติ แล้วท่านก็จะอยู่กับเรานานอย่างพระพุทธเจ้านะตอนที่ท่านตัดสรู้ใหม่ๆเนาะมารก็มาทูลขอให้ให้ปฏิญญาผ่านไปซะเมื่อตัดสรู้แล้วก็จบกิจแล้วนี่ อ, อยู่ทําไมนะจบกิจคน เ, เองแล้วอยู่ทําไมพระวิชาท่างบอกว่าเออเราต้องสอนพุทธบริษัทของเราก่อนให้พิสูพิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาตั้งมั่นในศีลในธรรมก่อนถึงจะไปเห็นไหม พระบิดาท่านนำลงขันอยู่เพื่อเพื่อให้พุทธบริษัทได้ตั้งมั่นก่อนนะเพื่อให้พิสูพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้มีคนรู้ธรรมะให้มีคนเผยแพร่ธรรมะของท่านได้ก่อนท่านถึงจะไปเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเราก็ต้องทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งให้ ไ, ได้เนาะครูบาอาจารย์เวลาถ้าท่านจะไปท่านก็จะได้ไปอย่างสบายใจโอ้พึ่งตัวเองได้แล้วนะ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 ยกระดับจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นเนี่แหละเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามากที่สุดการมีสติเนี่ยจะเป็นการช่วยเราอย่างดีที่สุดช่วยให้เรารู้ว่าอ้อมันความพอดีมันอยู่ที่ตรงไหนนะความพอดีในการวางกายความพอดีในการวางใจความพอดีในการทากิจของตนความพอดีในการทากิจช่วยคนอื่นความพอดีในการทากิจช่วยสังคมนะบางทีมันก็มีนะ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 กลับมาดูกายดูใจของเรานะให้ถือว่างานงานหลักของเรานะเราอย่างไม่ใช่ผู้พ้นทุกข์อย่างถาวร น, นะเราต้องเอางานหลักของเราเป็นตัวตั้งก่อนงานส่วนตัวนี่เป็นตัวตั้งก่อนเป็นงานอันดับแรกเป็นงานเบอร์หนึ่งนะต้องเรียงลำดับให้มันได้เรียงลำดับความสำคัญอย่างตัวอาตมาเองก็จะเรียงลาดับความสาคัญว่าเอองานตัวเราเนี่ยเป็นงานอันดับต้นงานช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นงานอันดับสอง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 ทำให้คนอื่นโกรธทำให้คนอื่นโมโ ห, โหนี่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นนั้นน ะ, ะการที่เราเดินจงกรมการที่เราภาวนาตั้งใจภาวนาบางทีเพื่อนเ้าท้อเพื่อนเขาถอย <c oughs> เ, อเอห็นเราเดินจงกรมให้เราภาวนาเขาก็กลับมาฮึดเดินจงกรมภาวนาต่อไม่ท้อไม่ถอยนี่ก็เป็นการช่วยคนอื่นนั้นน ะ, ะหรือบางทีเราก็อาจจะมีความรู้ความสามารถอย่างอื่นเพราะเกื้อกูลชุมชนเพราะเกื้อกูนสังคมได้เราก็เกื้อกูลกันไปตาม